กับเลี้ยงแมวเนี่ยยสังเกตความแตกต่างนะหมากับแมวมันแตกต่า ง, งกันยังไรไม่ได้แบบคนรูปร่างหน้าตานะจะหมาถึงนิสัยใจคอโดยก็ที่เกี่วข้องกับเรานะมีคนนึงเขาพูดสรุปเอาไว้สั้นดีนะชัดเจนมากาจรลงๆนิสัยของแมวกับหมาบอกว่าเวลาเราให้อาหารหมานี่นะหมานี่มันจะ นึกว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเราให้อาหารแมวนะแมวมันจะนึกว่ามันเป็นพระเจ้าต้นใจนะไก่ตางอะไรเงี้ยคือเวลาเราให้อาหารหมาเนี่ยหมามันจะขอบคุณซาบซึ้งแล้วก็รู้ิสุทธิพักดีกับเราไม่เราจะหมาที่ถูกร้ายเนะี่ยหรือว่าหมาจระจันเนี่ยที่หวาดระแวงคนเนี่ยนะที่ ที่ผู้หลงเนี่ยมีหมาที่เรือมีตัวนีมน่มันมันระแวงคนมากเวัามาที่กรุงศรีมันก็มาแบบแบบก็ต้องมองมองไม่ถืว่ากลัวแต่พอเราโยนอาหาเนี่ยมันักครัง้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มฝึกไว้วางใจเราแล้วก็ให้หรียญบ่อนี่มันก็จะอะสนิทสนมขึ้นเคยกับเราเป็นความสนิทสนมจนเหมือนกับว่ า, วาเราเป็นเจ้านายมัน คือมันเริ่มมีความพักดีนะความพักดีนี่ก็ภามพักดีมากๆะก็เหมือนกัว่าเราเป็นพระเจ้าเลยนะส่วนแนวเนี้ยนะมันจะมีที่ใสอีกแบบที่มันเป็นตัวของตัวเล็กๆมากเราให้อาหารมันมันก็ดีใจนะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกพักดีอะไรกับเราถึงเวลาเราจะเลี้ยงมันมันถ้ามันไม่ว่ามันก็ให้สนใจมันก็เลี้ยงขนให้มันไปแต่ว่า มันมาหาเราเนี่ยยากมีแต่ว่าเราต้องไปหามันเองแต่หมานี่ไม่ใช่หมานี่เราไม่ต้องไปหามันเราเลี้ยงมันเองมันก็มาหาเราอันนี้ก็เป็นเลยเยษชื่อว่าเนี่ยหมานี่มันเห็นเราเป็นเจ้าแต่แล้วนี่มันไม่ว่าเรามันไม่ว่ามันเป็นพรเจ้าแล้วก็เราก็มีหน้าที่ต้องไปที่ต้องมาหามันต้องมาดูแลอันนี้เป็นความแตกต่างอาจจะเป็นเพราะว่า หมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นผู้นั้สัตว์ที่อยู่เป็นผู้เนี่ยมันจะมีจาาฝุ่นและสัตว์ยานมันเนี่ยมันจะเชื่อฟังจาาฝู่นแล้ะพอมันมาอยู่คนนะหรือว่าคนมาเลี้ยงมันเนี่ยมันก็จะที่รับคนนีเป็นจ่าฝุ่นก็จะเชื่อก็จะมีความผูกพันเป็นความผูกพันทางจิตใจนะก็เคยทดลองนะเอาหมาเนี่ยมา อยู่ในห้องกับเจ้าของนะพอคุ้นเคยกับห้องนั้นทับ้งเนี่ยก็จะมีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องหมามนเนี่ยก็ชันชันเง้อดูสักหน่อยแล้วมันก็ก็ไม่สนใจเพราะว่ามันมีเจ้านายอยู่ใกล้ๆแต่ว่าบอเผลอนะพอหมาเผลอนะเจ้านายเนี่ยได้ออกไปจากห้องนั้นเหลือแต่หมากับคนแปลกหน้ามันจะตกใจเลยนะ มันจะเริ่ ม, มองไปที่ประตูแล้วก็ถ้าประตูปิดก็จะพยายามตักายประตูเพื่อที่ออกไปเวลาเอาเด็กนะเด็กชารลกเนี่ยมากับแม่เนี่ยเข้ามาในห้องกับแม่นี่พฤติกรรมเด็กชาร์ล็อกก็คล้ายๆหมาเลยนะก็คือว่าเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยเด็กทารลกก็จะไม่กลัวอะไรนะเพราะมีแม่อยู่แต่พอเด็กเผลอนะเด็กกาลังเล่นในสัญญาณนี่แล้วก็แม่เดินออกจากห้องไปเดินขี่เด็กไม่รู้ตัวเนี่ย มาเด็กเด็กมารู้ตัวจริงว่าเพราะว่าแม่หายไปเลือดแตกคนแตกนันเด็กก็จะเริ่มกลัวแล้วก็จะคามไปที่ประตูนะัจะออกไปที่ประตูออกจากประตูไนปะแต่กับแนวเนี่ยไม่มีอาการแบบนี้เลยนะแมวนี่จะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยคนแตกน่าจะมามันก็ไม่สนใจนะมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ได้มองไปที่ประตูอันนี้เป็นความคล้ายคกันระหว่างคน คนออกหมาก็คือว่ามีความผูกพันมีความผูกพันหมาผูกพันเจ้าของส่วนคนนี่ก็ผูกพันกับแม่อาจจะแปลว่าคนากับมานี่ก็เป็นพวกที่เคยอยู่มาเป็นผูกดังนั้นนะสมัยที่มันนี้เรายังอยู่ปางเราก็อยู่บนเป็นผูกตอนนั้นเี่มันมีความผูกพันกับส่วนหน้าหรือว่าพอแม่แต่ว่า แมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่หาชิมคนเดียวไปหาชิมก็ไม่ได้แต่หาชิมกับฝูงเพราะฉ้นมันมีความเป็นตัวตัวเองมากใครที่เลี้ยงแมวเนี่ยจะรู้สึกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นเสมือนบ่าวเป็นเสมือนคนรักใจของแมวนะเวลามันเห็นเนะี่งมันก็จะร้องนะร้องเป็นสัญญาว่าเราต้องให้อาหารมันแล้วนั่นก็ดีใจพอได้อาหารกินเสร็จนก็ไป หรือไม่ก็ไปทําอะไรพวกมันไปแต่ว่าไปการเลี้ยงแมวนี่ก็ดีนะมันเป็นการฝึกอัตตาเราเหมือนกันฝึดลดละอัตตาเพราะว่าเวลาเราเล่นหมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้หมานี่มันเชื่อฟังเราเรานีเป็นเจอมนาเราเป็นพรนเจ้ามันทําให้อัตตาของเราฟูลาจเราฟูรู้สึกว่าเรานี่เก่งเนียนหน้า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 อันนี้ก็เป็นการลดละอัตตาได้ดีเหมือนกันหือว่าเลี้ยงมันเลี้ยงมันแล้วเนี่ยเลี้ยงแมวแล้วแมวันก็ไม่ได้พักดีอะไรกับเราเลยไม่ได้ปนนออัตตาของเราหลายคนเลี้ยงสัตวแล้วมีความสุขเพราสตว์นี้มันปนนออัตตาของเราทำใม้เราถือว่าเราเป็นคนสำคัญแต่ว่าแมวที่มันไม้ปนออัตาเราเลยนะเพราะว่ามันเชื่อม่าเป็นพระเจ้าแล้วต่างหากที่ต้องรับใช้มัน แม่คนที่เลี้ยงแมวนี่มักจะเป็นผู้หญิงนะอาจมาสังเกตดูผู้ชายมัค่อยเลี้ยงแมวซะหล่ะผู้ชาย้ยงด้หมาเพราะว่าหมานี่มันมันถนอมอัตตาเจ้าของนะผู้ชายก็รู้สึว่าฉเก่งฉันแน่นะมีหมามาเสริมบารมีแต่ว่าถ้ามาเลี้ยงแมวนี่จะไม่รู้สึกว่ารู้สึกแบบนี้นะนี่แหลผู้หญิงที่ชอบเล้ยงแมวแลเดี๋ยวนี้ก็มีคนเลี้ยงแมเยอะมากะมีเฟซมีเพจตามเฟซบุ๊กเนี่ยเพจมีคน ติดตามไม่เป็นแสนอาจจะเป็นล้านเหยนชื่อ ว, ว่าตูนัวของบ่าวตูนัวของบ่าวแม่เนี่ยแม่เนี่ยคือตูนตัวนะบ่าเนี่ยคือเจ้าของแล้วเขาก็ยอมเป็นบ่าวนะผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้ได้งานผู้ชายก็ยอมนะคือต้องเป็นเจ้านายแต่ผู้หญิงยอเป็นบ่าว น, ะ น, เนานะ้เขาก็เลีย้ยงแม่ด้วยคามสุดที่จิงเนี่ยการเลี้ยงแม่มันก็ดีอย่างนะที่สังเกต น, นะคือว่า เวลาเราเลี้ยงมันเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกตานิจบุญคุณของเราเลยนะมันก็เป็นตัวของมันเองมอลนี่งานก็ดีเหมือนกันนะเวลาเราทำความดีกับใครนะลองคิดแบบนี้นะว่าลองคิดมันก็ว่าคนที่เราช่วยเขาเนี่ยก็เหมือนแมวก็คือว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกสานิจบุญคุณอะไรเหมือนเราลองคิดแบบนี้ดูนะว่า เ, ออเราช่วยเขากเขาจะไปคิดว่าเขาจะมาตอบแทนบุญคุณของเราหรือไปคิดว่าเขาจะมาพักดีดกับเรา หลายคนนี่มีความทุกข์นะเวลาช่วยใครแล้วเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะต้องสานึกในบุญคุณของเราก็จะต้องอดีกับเราพอเขาไม่ไม่ดีกับเราหรือเขาเขาพอเ ข, อเขไม่ได้สำนึกในบุญคุณของเราหรืออาจจะสำนแต่ว่าไม่ไม่มากอย่ที่เราต้องการเราก็มีความทุกข์รู้สึกทุก ข, ข์ว่าทําไมนะก็มไม่ตอบแทนบุญคุณของเราเลยให้เงินให้เงินเข้าไปหรือว่าให้เขายืมเงิน แล้วเขาก็ไม่สนใจที่จะมาอตอบแทนบุญคุณของเราไม่ได้ดีกับเราก็เลยเกิดความบาดหมางเกิดความอขับแข็งใ จ, จกลายเว่าทําความดีแล้วเนี่ยหรือช่วยเขาแล้วเนี่ยเกิดความทุกข์ใจในภายหลังอันนี้พราะไปคาดหวังให้เขาทําดีกับเราให้เขาพักดีกับเราแต่ถ้าเราลองดูว่าเออเขาก็เหมือนกับแมวนะเขา กินอาหารเรให้อาหารเขาแล้วเขก็ไปเขาก็ไม่ได้มีความสุขพักดีอะไรกับเราถ้าเราลองช่วยคนอ่างเหมือนกับเราเลี้ยงแมวนะไม่ได้คาดหวังคาพักดีกเขาเขาได้รับความที่เหลือเขาหมดทุกเขาหา ย, ยาหิวก็ไปห้เราการเลี้ยงแนี่มันก็สามารถจะต่อเราได้เหมือนกันนะตอนให้เราเนี่ยททดีกับผู้อื่น ด้วยการวางใจถึงกับว่าเราเลี้ยงแมวเหมือนกับว่าเราให้อาหารแมวคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยเขาจะคาดหวังความข้างดีจากแมวจะสุงมากหนึ่งหรือว่าจะให้แมวนี่สำนึกในลูกคุณของเรานี่จะผิดหวังได้ง่ายก็ต้องวางใจต้องปรับใจว่าเออมันกินอาหารของเรานะีมันจะผิ่ยังไงก็เป็นเรื่องของมันไปเราไม่เดือดรองเราไม่ได้เรียกร้องมันอันนี้แหละนะที่มันจะฝุกใจเราได้ถ้าเราช่วยใครเนี่ย ถ้าเรารู้สึมเราเลี้ยงหมานี่นะมันจะติดหวังได้ง่ายนะเพราะเวลาเราเลี้ยงหมานี่หมามันจะพักดีกับเรามันจะซื่อสัตย์กับเราบางทีมันยอมตายแทนเราได้แล้วคนเราก็ไปคาดหวังกับคนที่อยู่วันนี้ให้ฉัาานช่วยเขาเนี่เขาก็ต้องปฏิบัติกับฉันนะคือพักดีกับฉันนะสนเงินบูชิของฉันพอเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างที่เราต้องการนี่ก็เกิดความเจ็บแค้นเกิดความเกียดชัน อันนี้ใครพุกนะั้นเราเองเนงะ ท, ทุกทนะี่พูดนั้นวันนั้นเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราลองนึกเจอว่านะเวลาช่วยใครนะกสมือนว่าเรากำลังช่วยแมวแล้วกันนะไม่ต้องคาดหวังความทักดีความการตอบแทนจากเขาเพราะว่าการทําความดีเนี่ยมันก็ดีในตัวกับมันเองเขาจะสํำลักหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าเราทำเนี่ยทาการทําความดีเนี่ยมันจะทําให้เราสบายใจผูอย่างนั่นก็คือว่าทำดีแล้วก็ลืมไปเลยนะว่าทําดีให้ใครใครทำดีกับเราเนี่ยเราต้องจําให้แม่นแต่ถ้าเราทําดีากับใครเนี่ยลืมไปเลยให้เงินยืมเข้าไปนะก็ลืมไปเลยนะเพราะว่าถ้าไปตามทวงแล้วเดี๋ยวก็จะติดใจกันะเวลาให้เงินยืมใครก็คิดเส ม, มือนว่าให้เขไป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 ถ้าไมตร ง, งความต้องการของเขามก็มีปัญหาได้เหมือนกันเมื่อนคนจะถวายพาะนีถวายพระถวายของพระก็ต้องรั่วอะไรเห็นที่พระต้องการปาดธนาดีกับพระแต่ว่าถวายสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเช่นถวายเหล้าถวายบุหรี่ถวายน้ำสุกโก้เนี่มันมันไม่เหมาะปาดธนาดีนะแต่ว่ามันให้ของที่ไม่ถูกไม่สมควรก็เป็นโทษนะนนดังความดีนี่ก็ต้องรู้จักรู้จักทำด้วยต้ใช้ปัญญา แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางแม่ก็ทั้งถวายของพระนะถวายอาหารพระก็จะเป็นที่ว่าเนี่ยเป็นอาหารของฉันทำไมหลวงพ่อไม่ทานอาหารของฉันถวายทีวรก็เป็นทุกวันทำไมหลวงพ่อไม่ผมทีวัของฉันอันนี้เรียกว่ายังไม่ปล่อยวางไม่มีความที่ว่าเป็นเราเป็นของเราอยเป็นมีความที่ว่าเป็นอาหารของฉันเป็นทีวันของฉันถวายไปแล้วก็ไม่ใช่ของท่านแล้วเป็นของหลวงพ่อเป็นหลวงตาไปแล้ว ท่านจะใช่อย่างไรเป็เรื่องงท่านอันนี้เรียกว่านอกจากถวายของที่เหมาะที่ควรแล้วนะก็ต้องหวังจะให้ถจิตนะก็คือปล่อยวางากับคนอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่สัดขาดเท่าทนั้นนะอย่างที่บอกนะช่วยใครไปก็ปล่อยวางไปลืมไปเลยทนะี่เราเคยช่วยเขามันจะได้ไม่ต้องไปติดพวมยืนจับเ้าให้จิดแดงติดั่กอัลัยเทียมมาพอ